เพราะว่าท่านผู้หญิงนั่นน่ะเราจะนํามาพูดกันได้เพราะมีรูปลักษณะพอพิจารณามาพูดได้แต่ก็มีใครสงสัยบรรดาผู้หญิงแล้วนะมีท่านผู้หญิงโลภในทุกอย่างหิรธรรมในทุกอย่างก็อาตมาถึงว่าหิรโลภหิรธรรมคือไม่ติดทั้งโลภติดทั้งธรรมจึงเรียกว่าหิรผู้ที่หิรนั้นฉะนั้นท่านก็เป็นนิพพานต้นที่ด้วยอีก ท่านน่ะคือนิพพานคือคือที่อิฐแต่ตัวต้นๆแต่ว่าท่านคําชนะตนว่าธรรมอินทร์ทางมีน้ําหนักเท่ากันเพราะเป็นปริยามสมุททั้งหมดอันนั้นไม่รับอันนั้นไม่ใช่ภูมิไม่ใช่วิสัยที่มันรับคือถ้าเปรียบกันได้ว่าน้ําหนักโทษอิฐใครจะนํามาแจงได้ไหมความอิฐนั้นมีรูปลักษณะอย่างไร เนี่ยกันยังไงก็ได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีใครสงสัยก็กลับคนต่างคนได้รับธรรมจนถึงความอิ่มด้วยกันมาเป็นประจำเนี่ยนะสัทธิเนี่ยเต็มที่ทํากันรู้ตัวเองกิจมัธิ่มเต็มที่แล้วว่าอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องนิพพานศูนย์ก่อนแล้วก็แล้วก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไป พอนี้เวลานี้ความอิ่มของเราที่อิ่มอยู่แล้วกันเนี่ยแล้วรับทานใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ใหม่ล่ะรู้อยู่ไหมอ่ะมีศูนย์ใหม่มั้ยมีความอิ่มแล้วเวลานี้บางคนต่างรับทานกันอื่นแล้วก็มาคุยกันมาอันนี้น่ะความอิ่มนั้นประจักษ์อยู่มั้ยประจักษ์แล้วนํามาแสดงออกได้มั้ยว่าเป็นรูปรสร่างใหม่แสดงไม่ได้แล้วศูนย์มั้ยล่ะไม่ศูนย์นะรู้อยู่กันเพราะกันนั่นอย่างนั้นเด้อ อ่ามีถาม 2 ข้อข้อนึงคือได้สร้างบารมีมาก่อนงั้นมันมีอะไรว่านี่เราก็สรุปยอดไปเลยทั้งข้อสักอย่างเนี่ยเนี่ยเข้าใจในขนาดนั้นนะน่าพูดไปถึงอนคุณลงป่ะเรื่องของนี้มันไปลบล้างความลบล้างน้ํานะ นามิกรรมฐานก็ไม่มีมันลบล้างนรกสวรรค์มันมันลบล้างมันลบล้างบาปนี่แหละมันเป็นทำนองเดียวกันกับถ้าเดินไปด้วยความตั้งหมายตามสายทางมีความมีน้ำก็ไม่ระวังมีหอต่อมันก็ไม่ระวังมีศีลด้วยท่านก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบความเหยียบนามก็ อย่าในขณะที่เข้าใจว่าหนาไม่มีนั่นแหละมันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะที่เข้าใจว่าหัวต่อไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนนะพอความมีอยู่นั่นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําคัญว่าไม่มีความสําคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างถึงมีอยู่ทั้งไม่ได้เพราะนั้นคนที่ต้องเหยียบความเยี่ยมงามตกเหวตกบ่อกันโดนสะดุดกันโดนนั้นโดนนี้กันนะ เข้าใจว่าไม่มีเลยโดนเอาโดนเอาน่ะผู้นั้นน่ะผู้เก็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังน่ะไม่ค่อยเก็บเดินไปตามสนุบนทางก็ดูสนุบนทางให้ชัดเจนความน้ําก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนซาไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัย กว่าคนที่ไปด้วยความประมาทก็อะไรไม่นี่เหมือนกันคืออยู่นี้มีอยู่ในโลกที่นี้บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเออเคยมีมาตั้งแต่กาลไหนนะบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ท่านความสําคัญเราแต่ว่าแต่ว่ามีหรือไม่มีก็ตามถึงนั้นมีอยู่แล้วแต่สําคัญว่าไม่มี พอสําคัญเล็กๆไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสําคัญว่าน้ําไม่มีหัวตอไม่มีอันนี้เป็นความสําคัญเล็กๆสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นกับการสําคัญไม่สําคัญของใครลบล้างไม่ได้อันนี้ผู้ที่จะโดนบาปโดนนรกก็คือผู้ที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละบาปไม่มีนั่นแหละมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดน ก็จะตกนรกกับผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละเพราะถึงจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นแหละผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังรอบๆว่าหนามมีว่าหัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนถ้าไม่มีนั่นแหละโดนเอาโดนเอาเหยียบเอาเหยียบเอา เป็นอย่างนั้นแหละอ่ามันเป็นไปตามความรับภัยแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นนี่ถ้ามีทําไมข้าไม่เห็นแล้วก็โดนไม้ก็ตาบอดนั้นโดนเก่งกว่าเค้าอืมมันไม่ได้คุ้นอยู่กับตาบอดนี่มันคุ้นอยู่ความมีอยู่ของมันนะพวกเราบอดตัวใน แต่ถึงมีอยู่มันยังโดนไม่อยู่อย่างดับๆๆเป็นนิสัยของตามองยังไม่อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้ถึงที่มันก็เหยียบทําไมมันจะโดนไม่ได้ใครยังเชื่อเราอยู่เหรอครับถ้าว่าขณะนี้ยังอวดว่าตัวเต็มอยู่เหรอครับถ้าพระเจ้าไม่ใช่คนตามบอด โลกวิถีฟังได้รู้แจ้งในโลกทุกอย่างทั้งนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกทิพย์โลกธรรมดารู้หมดโลกทิพย์ก็คือสามารถได้มองเห็นด้วยกตัญญาย์ที่พิภพโลกที่ประจักรสุนะพระองค์มีทิพย์สิ่งที่โลกทิพย์พระองค์ก็มีเครื่องหัศทิพย์ โดยอย่างวิทยุอดิสีโทรทัศน์นี่แต่ก่อนใครเห็นมีเมื่อไหร่พูดกันเชื่อมกันแล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทําลายคนมันก็ชิบหายวายปลงไปมากยังพอได้เห็นมั้ยล่ะถ้ามันสามารถเค้าทํากันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองมันยังดูได้เห็นได้ถ้าพี่นางสินั่นล่ะของมีอยู่นั่นน่ะเค้าทํากันอยู่งั้นมันมีอยู่นั่น มันมีเครื่องอัพอันนึงก็ได้ท่านพุทธทัตเค้าชกมวยเมืองไหนเนี่ยมันมาเปิดดูได้หนึ่งดูดิแต่ก่อนมันมีได้เมื่อไหร่และปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีมันไม่สามารถที่จะทําขึ้นให้ปรับกดชัดเจนได้อย่างทุกวันมันไม่ก็อย่างนั้นแหละเพราะพระพุทธเจ้ายิ่งฉลาดแล้งพรกว่า กว้างนี้เป็นไหนหลบทิพย์ไม่ต้องไปหาเครื่องอะไรหรอกแต่เครื่องประกอบหลบทิพย์ก็โพ่งก็มีธรรมทิพย์นี่ว่าทิพธโสดเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักรสุญานเนี่ยตาทิพย์เสียไม่ใช่ตาสิ่งที่มองควรจะตามแต่ตาเนื้อโพ่งก็ตาเนื้อดูสิ่งที่ควรจะหูเนื้อก็หูเนื้อฟัง นี่ทุกควรจะหูทิพย์ก็หูทิพย์ฟังสิ่งทุกควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแณ่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนทั้งหยับทั้งเลียดโลกนี้ธรรมสัตว์ทั้งนั้นไม่สัตว์ตั้งแต่ตัวโตๆอย่างสัตว์ในทะเลนี้ช้างนี่มันก็มีเล็กกว่านั้นลงมามันก็มีถึงแม้ทางเชื่อโลกในเรียกขนาดไหนทั้งมี เครื่องก็ขยายกล้อง 2 มันก็ไม่เห็นการทําการในห้องเหล่าไม่เห็นแล้วเมื่อไม่เห็นเนี่ยมันเป็นอันตรายกับคนได้มั้ยคนไม่เห็นเห็นโรคไวรัสเป็นต้นมันทําลายคนตายมาเท่าไหร่แล้วมีเพราะมีเครื่องทันนั้นมันมีเครื่องครับภิกษุจึงทราบก็รู้โอ้โรคไวรัสน้ํามีเชื้อ สิ่งที่เราไม่เห็นน่ะมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นแล้วว่าไม่มีนั้นถูกสิ่งที่มีมันมีอยู่ถึงต้องระมัดระวังทั้งพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่จะกล้ากายในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วแล้วว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมด สอนอสอนท่านไม่ได้กล้าฝ่าผมแน่นิดนึงเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกับการสอนจึงสอนแต่เดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันไม่หนึ่งนี่แหละมันต่างกันตรงนี้กับคนเราดูออกถ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนเราทั่วๆไปนี้จะยอมตํารณโทมว่าเป็นพุทธังธนังอคถานี้ได้ยังไง หำหมาทั้งทั้งทั้งกระจายให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเป่าๆสมัยก็เพราะท่านลี้เกศเลิศกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถถึงสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทํานั้นว่าสิ่งที่เราทําไม่ได้ท่านทําได้สิ่งที่เรารับไม่ได้ท่านรับได้นั่นทั้งที่เป็นของอาจารย์ก่อกันก็เพิ่งพอไปเห็นนี่เองมาตรฐานของความสามารถต่างกันนี่ การสอนอัศจรรย์ธรรมต้องลุ่มลึกละเอียดละอ่อทุบคมถึงจิตถึงใจเพราะทรงรู้แล้วเห็นแนวจึงนำมาสอนไม่มีการประตกสถานสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแนวทั้งวิธีการดําเนินวิถีลัทธิถอนวิถีบังเกิดให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นโดยดําดําๆเป็นแต่วิธีที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนําสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้ เห็นแล้วทุกอย่างนํามาฝ่าโนทายจะพูดคือพูดเรื่องความถูกต้องได้อย่างดีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีในโลกนี้หรอกนั่นแหละมีธรรมเป็นอริยภัณฑ์มีสาวกน่ะนําธรรมที่จะนํามาสู่โลกมีความแคบดาษประเดียดต่างกันกับพระพุทธเจ้าเยอะมาก เพราะอันบุพพวิสัยเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกนิสัยเป็นนิสัยของสาวกแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันในแยะของสมมุติแห่งธรรมที่จะนำออกมาใช้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอกับพระพุทธเจ้าผมแสดงได้อย่างครอบเขตกว้างขวางแม้แต่สาวกเหมือนกันก็ยังต้องผิดกาลเช่นพระสาวกมีความเสื่อมถลบมาก อุบายวิธีการสอนนี้แหลมคมมากนะรางพระพุทธเจ้าน่ะนะพระโมคคัลลานิธาธารานิภาพนี่ก็รางพระพุทธเจ้าลงมานี่ดีเป็นคนระล่างระทางอย่างพระอนุุทธะสามารถรู้เรื่องปริจฉานิชาคือวารจิตของคนอื่นคนใดก็ตามแม้แต่เทพอื่นเถระพระอนุุทธะทราบโดยละเอียดละออเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ ทรงทําหน้าที่ปรนิบัติภังเมื่อประทานพระวาจาวาระสุดท้ายอืมพระวาจาในวาระสุดท้ายนั้นก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราตวนถอดทั้งหลายสังขารมีความเกิดขึ้นแล้วก็ไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประการทรงพิจารณาสังขารนี้ถึงความและความไม่คง ในข้ออุปาสที่ทรงสอนในมหาสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นพระที่มุ่งหน้ามุ่งทางถึงจะเป็นกัลยาณปุถุชนก็เป็นผู้มุ่งต่อจะทําอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาตะสกิทาอนาคคะพระอรหันต์กันแล้วญาติโยมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นพระองค์จะทรงแสดงสังขารประเภทนี้หมาย ความลึกซึ้งอย่างขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารพวกอยู่ภายในจิตที่คงยากยากยั่นตลอดเวลานี้เราชวนแน่เลยว่าพระองค์ว่ามาณสุดท้ายจะต้องหยั่งถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขณะนั้นเท่านั้นแต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกหลายท่านก็ว่ากันประมาณ 1% เท่านั้นไงใน 99% จะหยั่งลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับ ปัจฉิมโอวาทโดยศาสดาพูดสําคัญจากปรินิพพานในทางนั้นเจ้าทําอย่างยากมาแสดงเป็นธรรมดาธรรมดาได้เพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาธรรมดาเป็นวิสามัญภูเวลาวิสามัญธรรมดาอืมเป็นวิสามัญนึ่งจะปรินิพพานอยู่แล้วในขณะนั้น 2 พระทรงทิพเท่าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่ภูมิ เตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณะปุถุจนถึงพระภิกษุปุเรณมาถึงนะจำต้องสับสังถึงเรื่องสังขารภายในทีเดียวเราแม่งกันดูนี่นะพอจนนั้นแล้วก็ปิดพระอกทรงทําหน้าที่เสริมภัย ในขณะที่ทําหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็พร้อมร้อมอยู่ธานุทกก็อยู่ที่นั่นเลยเมื่อทรงเข้าปฐมฌานบุพพีฌานปฏิฌานจตุตฌานอันตนุประฌาน 4 แล้วก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน 4 คืออาขาสานจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวญานัญญายตนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทณิตนิโรธสมาบัติเออทรงดับสัญญาละเวทนา ขณะนั้นระงับเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั้นเกิดความสงสัยมีพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือธานุธะเป็นผู้บอกเนี่ยฟังดิยังยังไม่ไปนิพพานกําลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทัยติยะโอพอพระจิตเสด็จเคลื่อนถอยออกมาจากคุณานใครใส่รูปก็บอกโดยลําดับนั้นน่ะ จนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมาอรูปฌาน 4 แล้วลงมารูปฌาน 4 จนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาทีนี้กล่าวเข้าไปอีกทีก็เขาบอกฟังท่านบอกโดยลําดับน่ะนั่นฟังดินี่แหละพระกิตติวิชชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงใดก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของภูตรู้ได้อย่างไรจิตบริสุทธิ์แล้วภูตรู้ได้อย่างไรเออ ไม่สูญอะไรถึงรู้ได้พระอนุรุทธะก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอนุรุทธะก็ไม่สูญสามารถรู้ข้าจิตของพระพุทธเจ้าที่กําลังเสด็จก้าวเข้าสู่ฌานใดปฐมฌานนี้เป็นสมุทธานแต่ละฌานเป็นสมุทเมื่อจิตวิมุตติคือพระจิตของพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นวิมุตติแล้วฌานไปในฌานไหนผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระนิพพานบอกเบื้องหน้า กำลังเท่เข้าชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องคาดคืนพอพูดได้ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นกําลังเข้าเข้าผ่านชั้นนั้นชั้นนั้นถ้าหากไม่มีสมมุตินี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่ยังไงก็ตามพูดไม่ได้ให้พอออกจากประทมอ่าจากสภาวะการแล้วไม่เสด็จเข้าสู่ รูปภังคัง 4 อรูปภังคัง 4 ก็ไม่เสด็จเข้ารูปภังคัง 4 ก็ผ่านมาแล้วนั่นน่ะทีนี้ปรินิพพานในถ้ํากลางเนี่ยสมมุติทั้งสองคือรูปภังคังก็เป็นสมมุติรูปภังคังก็เป็นสมมุติถ้าออกเสด็จออกถ้ํากลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วถ้ามุทะก็หมดติดสุดวิสัยว่านี้ปรินิพพานแล้วนะ คือไปภาคทีมกับอะไรอีกไม่มีมีเฉพาะพระไตรในขณะนั้นให้ได้เห็นชัดเจนนั่นรักคือนายนี่พระมุจฉาท่านสามารถทั้งนั้นถ้าสงค์เหล่านั้นเป็นพระหลามันก็จริงจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปริยัติวิชาเหมือนพระมุจฉะและจึงสมนามพระวิภัตเป็นเอกะคะทางปริยัติตวิชาสามารถรู้ว่ารสจิตของใครๆได้ทั้งนั้น เหล่าเทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ปรินิพพานแล้วจะเอานําพระสรีระศพออกทางทิศใดนี้ก็ก็ต้องทางนี้พระเป็นผู้บอกถ้าถ้าเอาพระเทวดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทิศนั้นต้องการจะไปทางทิศนั้นน่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทวดาทั้งเพคะแล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทวดาทั้งหลาย ต้องการตามที่พระอนุธะบอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้นะถึงเวลาจะถวายเพลิงพระองค์ก็ยังถวายไม่ได้นะเขตไหนยังไม่ยังยังไม่ยินยอมให้ให้ถวายบําเพ็ญเพราะพระอัสสปะมหาทูตพระมหากัสสปะกําลังเดินทางมาจาก มากราบทูลสุรสงฆ์พระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะทําได้แม้ทั้งๆที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระคัสสะปะอยู่ที่ไหนพังด้วยมันพูดวิสัยไม่สําหรับพวกเราแต่สําหรับพระมุนีธรรมไม่ได้ถูกวิสัยเหมือนบอกคนตาบอดเขายังไม่เข้าใจว่าเค้านึกว่าเค้านั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวธุรดาที่ไหนพระคัสสะปะที่ไหนไม่เห็นไงแล้วก็ไม่นานพระคัสสะตะก็มา พาบริษัทบริวารมากราบทูลพระสดของพระองค์มีแล้วครับจากนั่งมาอ้าวที่นี่พระเอ่อพระธรรมถวายเสิร์ฟท่านได้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายผมก็ครบเปิญตอนแรกถวายไม่ได้ถวายเสิร์ฟไม่ได้ถวายก็ไม่มั่นน่ะธรรมนี่ทั้งเป็นความจริงทั้งอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทํานานที่ถ่ายออกมาถ่ายออกมาถ้ามาก็เป็นตามนั้นอย่างนี้ดี ถึงไม่ให้ออกทางทิศนั้นทิศนี้ให้ออกทางทิศเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระชิระศรถขององค์ออกทางด้านทิศเหนือนี้ออกไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้ไหนฝืนไปไม่ได้ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระชิระศรถไปไม่ได้ทําให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปอะไรเฉยๆนี่ดีกว่าไงนั่นน่ะพลังของนิทธาสดานุปภาคของพวกเทวดาทั้งหลาย นี่พลังมันเราไม่มองเห็นคือดูเหล่าป่าไม้แต่เนี่ยพลังมันมันที่เราป่าไม้ไปพลังหนึ่งที่มันหนุนมันให้ตกไปนู้นตกตรงนี้น่ะเรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้ทั้งนั้นอืมหรือไอ้ตัวยิงไปจับแหละนี่ยิงปืนออกไปจับก็บอกป่าก็บอกปืนมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นมันไปได้ยังไงมันไม่มีพลังมันไปได้งั้นนี่อันนั้นน่ะ อันลึกล้ําน่ะน่ะจะนึกงับในในเรื่องของศาสนาถึงเรานี้ไม่นอกเหงือกบงคําสั่งโดยทั่วต้องรู้ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงออกมีเห็นทัศนะภาษาของแต่ละองค์ละองค์มีทางสามารถต่างกันจึงได้รับอิรักขะจากพระองค์ที่ทรงตั้งน่ะองค์นั้นเป็นที่อิรักขะในทางนั้นเช่นพระพุทธมนัสธานีบุรุษ เป็นเอกะในทางธรรมะก็ฝึกเอกไม่มีใครสมัครว่าท่านถ้าสาริบุตรจึงทําปัญญาจึงเป็นหลักทางด้านปัญญาพระโมคคลาเด่นทางนิคาสดังภาคนี้ครับถ้าปุณณมณตานิบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านพูดเข้าทีนะ ท่านเทศเน้นหนักลงในสันเนกธัมม์ 10 ประการว่าอย่างนั้นถ้าปุญญมณฑานีบทเทศสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสันเนกธัมม์แปลว่าธรรมเครื่องขัดขวางที่เหล็กมี 10 ประการในอภิฐธาเป็นไผ่เป็นผู้มักน้อยยาพลุงพลังหอกนี้น้อยๆ หาความตรงพลังถ้าเป็นผู้มักน้อยจะมีมากยังไงถ้าเป็นผู้มักน้อยเอาแต่พอสิ่งที่เป็นของจําเป็นเท่านั้นใช้สอยอับลืมอะไรไปแล้วแต่ลองลงมาก็ชั้นโดดความยินดีกรรมในกรรมเสมอถ้าตั้งทัศนิกาอย่าคุกคามซึ่งกันและกันนั่นเป็นนิรันดร์นี่ล่ะ วิริยะตาเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเศษทั้งอ่ะอนึ่งที่ทุกท่านบูญวายกับทีมก่อควรทั้งหลายวิริยะลำพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความพากเพียรนัยยบททั้ง 4 ให้เป็นไปด้วยความเพียรนะเป็นลําดับนั้นศีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสําหรับพระ ไปสัมผัสอะไรที่เกิดของพระที่เกิดสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วยสมาธิทําจิตใจให้แน่นหนามมั่นคงอย่าให้วะแว่คอนแคลให้เป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ละเอียดละออ ตลอดทั่วถึงที่เลขมีหลายก็เพ่งทั้งแบ่งกันใหญ่ๆสร้างสมอุบัติทั้งภายนอกภายในคอยแต่พักเข้ากันอยู่เสมอให้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยดีเพราะนั่นแหละวิริยะอัมพาตคือประวัติความเพียรด้วยสติปัญญาสมมติวิมุตติเนี่ยเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความอดทนก็ปรากฏขึ้นมาที่จุดโน้นเอง ลิมุตญาณทัศนะเมื่อได้ดุจพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดปัฏฐะพ้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสังเวยกระทําที่ภัปปนาทับๆอนุมันตานีบุทซึ่งเป็นธรรมะตระกูลเอกท่านเทศธรรมกระเน้นหนักลงในธรรมตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสําหรับพระเหล่านี่น่ะวิธีการดําเนินงานของพระท่านดําเนินดังนี้ <c oughs> เป็นผู้มักน้อยน่ะสังข์อย่างลดลงมาอยู่กระสันโดอย่าให้เลยความสันโดษไปน่ะยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นถึงได้ไม่มีอยากแสดงความโลภโกรธเล่ห์ถิดวิสัยของพระน่ะอัสสัมชาติอเมริกาณคุกฟรีตีมงเป็นการนั้นโดยหาไม่ล้ําอย่างไม่ได้ นอกจากธรรมสัจฉาการเลยนะธรรมสัจฉาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเป็นข้อปดเปื้อนที่ดีหรือเป็นสติซึ่งการงานตามในลำเวลาวิเวกตาที่ไหนท่านน่ะให้มุ่งให้แสวงท่านว่าอันนี้พฤติยาลำพาคือความประกอบความพากเพียรในทุกวิยบทอยากให้สติได้ปรากฏสักที จิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อด้านจิตเป็นตัวดิบโลดเล่นเป็นกระโดดไปตราบเวลานั่นแหละตัวนี้ที่สร้างความทุกข์ทั้งหลายที่คือตัวนั้นเพราะมันจึงใช่ประติบรรณาผุดคนตรงนั้นและให้กําหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไรส่วนมากคิดแต่แก่เรื่องที่จะผูกมัดตัวเองก่อกวนต่อไปให้หนองเผาร่มตัวเองด้วยความคิดความปรุงต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัฏจักรมันสร้างที่โรงงานจิตนี่แหละ วัตตะตามันสร้างว่าแต่เครื่องวัตตะจักรหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนั้นเองจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยอีกทํา 3 ถึง 5 ข้อนี้เป็นธรรมสําคัญนะนี่ถ้าสมัยข้างพุทธกาลท่านเดินอย่างนี้พูดกันก็พูดในสันเเลยพระธรรม มาพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการลบราคาการการดาการเสียการซื้อถูกขายแทนอืมงานรัฐการงานนั้นเรื่องการมีงานนั้นปกติชั้นนั้นชั้นนี้อืมเอาเรื่องโลกสมสังมาพูดไม่มีนั้นเป็นเรื่องโลกว่าโลกฆ่าเรื่องของธรรมเรื่องของเราอย่างไรกิเลสจะหลุดรอดไปพลาดไปตรงนั้นนี่ล่ะเป็นงานของสมณะแท้ ดังที่ไปพูดแล้วต้นก็ยกให้สถาโลมหานครอาคายังไปโซทั้งแต่ท่านอโมทบูชาจะมอบงานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบนะให้เป็นสำนักงานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไหนนะกวิเวกตานั่นเองไม่ไปไหนถ้าถามก็ภิกขารมันต้องมีมันมีผู้ว่ากับใครเป็นหัวเป็นใหญ่กับใครวิริยานัมภาต ก็ปราบความพากเพียรพิจารณาเจตสาโรมานัสขาธัมมาวัฏฏุตลอดอาการทั้ง 2 000 นั้นภายนอกเอามาเทียบเคียงกันให้ได้สักด้วยส่วนด้วยความเป็นของนิจจังทุกขังอนัตตาหรือด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาท 8 ภาษีดิษฐ์พิจารณาลงให้มันชัดเจนความจริงมีอยู่กับตัวของเราทุกคนทําไมจะไม่เห็นเรื่องอัตเรื่องธรรมคําว่าปฏิกูลมันดูได้เหรอในตัวของเรานี้มีหนังบางๆมันหุ้มไว้ทั้งนั้นน่ะเป็นเครื่องหลอกทางตางั้นแล้วเข้าไปข้างในมีอะไร ยังไปตามความจริงทําไมจะมาเห็นเพราะพระพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนของมีอยู่เต็มในร่างกายของเราทุกคนทําไมจึงไม่รู้ไม่เห็นนี่ผิวหนังบางๆเท่านั้นล่ะมันหลอกไว้นี่ถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายมีเกิดแมลงมันตอมหึ่งๆไปหมดนี่พอดูได้เพราะเพราะผิวหนังหนังบางๆคือผิวบางๆอืม พอแล้วครับนั้นก่อนเริ่มเป็นด้วยบุพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองแล้วเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มด้วยความปฏิกูลทั้งนั้นผู้ประสาภิกขุก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชัดๆข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี้ถ้าคมโลคบุรีภูทะลุแจ้งหญิงสิ่งนี้ชัดดูที่ไหนมันชัดหมดเพราะมันเหมือนกันนี่ล่ะงานของท่านถ้าไปจะเป็นดูอสุภะทุกข์ทั้งก็ให้มันชัดเจนถึงความจริงเรื่องนั้นนี่ทั้งทุกขลักษณะชนิดใดก็ตามไม่แต่ละ ขนาดได้ทําแบบฝึกวิชาไหนถึงประจักษ์พออย่างนี้สําหรับผมเองนี่ทุกข์ขังเออมันก็จบมาราตุทธาอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยนี่คือนาทุกข์ขังจริงๆไอ้เวลาทุกข์มันบีบคั้นเพลือเราได้เห็นทุกข์ชัดเจนในตอนนั้นพอพออย่างนี้เวลานั่งถามนุ่งถามค่ําอย่างงี้อืมมันให้มันลบนี่ ความคิดปัญญามีเท่าไหร่สุดคนลงไปคนเราเมื่อตายจริงๆแล้วมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนได้เนี่ยสติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่เจ้าของพยายามช่วยตัวเองอัตตหิตโนนาโถขึ้นแล้วในเวลานั้นทุกขังอนิจจังขณะทุกข์เป็นของภินเราก็ถือว่า เป็นค่าเสียสละแล้วและไม่ต้องการเราไม่อยากพบดับเห็นแต่ไม่อยากพบเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายถ้ามันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยะกันเรื่องพระกนกายกับทุกขเวทนากับใจอยอย 3 อย่างเป็นทั้งนั้นรู้อาการไปของร่างกายมันก็มีทางลักษณะของมันไม่เห็นมันแสดงว่ามันเป็นทุกอย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกด้วยซ้ําร่างกายก็เลย แม้จะเต็มอยู่ในร่างความทุกข์ประเดิมอยู่ในร่างกายทุกส่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่เวทนาคือความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายสนอื่นสุดท้ายก็คือตายเป็นสิ่งสําคัญมากมายย้อนหน้าทวนหลังพิจารณายิ่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไหร่สติปัญญาจะต้องเหมือน<ไม> <c oughs> widetilde ที่ตื่นนอนตัวไม่ได้หรอกนั่นล่ะตอนมันจะเกิดปัญญาพระเยศนาทางเหตุการณ์ <c oughs> นะอุตส่าห์อ่ะถ้าพิจารณาสักหน่อยร่างกายเอาอันไหนเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี่มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกข์อันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ซึ่งเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามเส้นตามขาในขณะที่นั่งนานมันเพิ่งเกิดขึ้นอย่างนี้หากมาเคร่งว่าขาว่าหนังว่าเนื้อมันเป็นตัวทุกข์ทําไม เวลาทุกข์ดับไปแล้วสิ่งนี้ยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวพอหนึ่งเลยถ้าเป็นอันเดียวกันต้องดับด้วยกันทุกข์เกิดขึ้นอันนี้จึงปรากฏขึ้นมาทุกข์ดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยแล้วนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอย่างนี้แล้วใจล่ะน่ะใจเป็นทุกข์เหรอถ้าใจเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปใจทําไมด้วยล่ะเหรอไล่มันเข้าไปไล่มันไปหึงไล่ข้อพระตาใจมันยิ่งจ่อนะสติยิ่งจ่อปัญญายิ่ง หาดเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนั้นละหมุนริ้วริ้วถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกเข้าวงในเถอะไม่ได้ท่าเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในนะสติปัญญาทั้งหมุนริ้วริ้วจริงๆต่อให้ต่อมันก็เข้าการซึ้งลงไปซึ้งลงไปซึ้งไปอืมพอซึ้งไปแล้วกายก็สับแต่ว่ากายโอยจริงๆนี่มันเกิดเมื่อไหร่กายเองก็ไม่สับว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์ ต่างอันต่างในทราบความหมายของกันเช่นเดียวกับไฟไม่เชื่อเชื่อก็ไม่ทราบความหมายของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของเชื่อแต่ต่อยุคล่างไปต่างกันในธรรมชาตินี้มีร่างกายกับทุกขเวทนามันก็ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายผู้ที่ทราบความหมายและผู้ที่ยึดถือสําคัญความหมายจนหลงงมงายก็คือสิทธิ์มันย้อนมาหาสิทธิ์คิดงาน มันก็แยกกันหน้าแยกกันหน้าเข้าใจผัดเกินพอทราบว่ากายเป็นของหญิงเกินส่วนเวทนาเป็นของหญิงเกินส่วนใจก็กลางเป็นของหญิงเกินส่วนต่างอันต่างจึงเกินตัดเป็นส่วนหมดแล้วไม่สัมผัสกันถึงทุกขเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถคุ้มภาพถึงจิตนี้เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบประเด็นชัดเจนนี้แล้วทุกขเวทนายังดับยงกันในขณะนั้นฉานี้ไป เมื่อมีร่างกายนี้หายไปด้วยกันอยู่ในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นอาคคิธาตุวังว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกและไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สูงหรือต่ำเพราะไม่ขาดหมายหมายทราบแต่แต่ว่ารู้ในอคตัญธรรมนี้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเวลาเป็นกรอบเป็นหินนั้นสร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ปรากฏผิดเด่นดวงโดยลําพังตัวเอง ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยในขณะนั้นน่ะมีเป็นแล้วไม่ได้มาพูดตัวเฉยๆได้ทํามาแล้วอย่างนี้ด้วยได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่ต้องสงสารนี่คือสร้างความสร้างเนี่ยตนพอติดได้เดินทัพขึ้นด้วยอํานาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องต่างๆ อ้าวถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็ขณะนี้ทุกขเวทนามีมากน้อยเพียงใดเราก็ทราบทั้งทะเกียรติด้วยสัญญาของเราถึงเวลาสุดท้ายคือเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวทนาหน้าเก่านี่แหละกายก็เป็นของเก่าทุกขเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็คือผู้นี้เองมันจะน้องเหมือนอย่างนี้ได้ยังไงคนมันถึงจนถึงชัดเจน มันตั้งถึงว่าตายใครอะไรมันตายที่เราไปจริงมันไม่มีอะไรตายที่ตามหลักความจริงคือพิจารณารู้ถึงตามโดยลําพังตัวเองอ่าถ้าสมมุติว่าเอ่อร่างกายนี่มันสลายลงไปส่วนทาดินมันก็ลงซึมเข้าลงไปเป็นน้ํากับซึมสร้างมาเป็นน้ําดินก็เป็นดินต่ําลงเป็นลมเป็นลมไปเป็นฝนใจหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายกว่าจะถ้ามันยิ้มเด่นหือมันตายได้ยังจ๊ะนี่มันยิ้มไม่รู้ยิ้มเด่นมันตายได้ยัง แล้วอะไรตายไม่มีอะไรตายนี่มันโกหกกันน่ะกูรำลึกรู้แต่คํานะโห้ยโกหกกันไปทั้งๆที่ใครก็มีเจตนาจะโกหกกันแหละเกิดในขณะที่พิจารณาธรรมมันรับเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกขึ้นมานั่นโหโกหกกันกลัวตายไม่เป็นงี้ถามความตามต้องมีเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วมันมีอะไรต่างต่างอันต่างเพียงเท่านั้นเกิดความกล้าหาญทางทางขึ้นมาจิตๆ สงบเนี่ยไม่มีอะไรมาก่อมาเกี่ยวทุกขเวทนาก่อนหายหน้าไปหมดแม้ที่ผิดร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนกับเป็นอากาศสภาวว่างๆในขณะนั้นไม่ได้สําคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ในที่เช่นไร เอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั้นน่ะดูที่รู้ที่เด่นๆน่ะสูงต่ำไม่สําคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองดูเองเมื่อหมดกําลังแล้วแล้วขยับตัวออกมามันคือจิตนี้เคลื่อนไหวตัวเองแล้วสักแยกออกมาเป็นสังขารความตรงแล้วก็มาสาดเรื่องร่างกายนี่ถอยออกมาอ๋อร่างกายนี่การติดฐานมาแต่แรกเวทนาก็ยังไม่ หายักในการพิจารณาพอนานไปสักหน่อยบริเวณพิจารณาก็เริ่มเริ่มรู้สึกหวาดกันอีกคิดนามอีกเอาอีกลมได้อีกแต่การอุบายพิจารณาทุกเวทนานี้เราจะอุบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นะอืมมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันต้องเป็นอุบายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในลมปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงของเก่า ก็อันมันเป็นเรื่องของปัจจุบันนักศึกษาคิดขึ้นได้ด้วยตนทําภายตัวเองมันจะตรงของกล่าวว่าตามนั่นมันเป็นปัจจุบันของตัวเองก็แก้กันได้อันการพิจารณาลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายนะนี้วาระสุดท้ายของทางสามารถของเรานี่ไปลงในอนัตตา สัพเพธัมมาอนัตตาเมื่อเปรียบกันตรงนั้นพลังๆรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกันในร่างกายมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นอีกสัพเพธัมมาอนัตตาเลยธัมมานัตตาสุดท้ายอนัตตา ที่มีความสงสัยต่อร่างกายรูปเวทนาทั้งหลายทั้งฐาน 1 อย่างทั้งหมดนี่มันก็จะมันก็มีข้อสมมุติทั้งมันอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้อืมความสงสัยเฝ้าใสสะอาดสง่าผ่าเคยงามอากังหารนั่นนั่นฉะนั้นนี่ก็เป็นหนอ 3 นี่แต่ที่ยืนเป็นหนอ 3 ก็ทราบได้ชัดด้วยการปฏิบัตินี่ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมาและติดดงเดียวกันมันเป็นได้หลายอย่างนะครับน้อง มันล้ําคุ้งนะนะแค่เดียวว่าสังแค่เดียวว่าเศร้าเรียกว่าภาใสหรือว่าสมองก็เรียกว่าสุขเดี๋ยวว่ากกทําไมสิ่งเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักมามันล้ําคุ้งล้ําคุ้งจิตจ๋องคําว่าภาใสก็ดีนะคําว่าเศร้าหมองก็ดีคําว่าสุขก็ดีคําว่าทุกข์ก็ดีธรรมเหล่านี้ ทั้งทั้ง 2 เงินนี้เป็นอนัตตานะนั่นพลางขึ้นตนสาเพราะอนัตตามันมันก็ทราบทันทีซึ้งถึงจิตมันก็ปล่อยทั่วเดียวไม่แลเลยเพราะสิ่งขั้นสุขท่านเอาอนัตตามาสรุปอนัตตามันหม้วนขัดให้ถึงธรรมมารักษาได้ภาพเป็นคือตําเดธรรมมานาลังอนิยชายะ ทำทั้งตัวไม่เปิดถือมั่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเรื่องทําทั้งตัวไม่เปิดถือมั่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยทั้งหมดเช่นขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะปอดบันไดอยู่นะทําเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ซัพพอร์ตไม่บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรละตะหน้าตาไปหมดทั้งทั้งสิทธิ์ยังหาชีวิตไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัตตาต้องเป็นคู่เฝียงกันไป โดยลําดับลําดับต้มก็ทั่งถึงมาแล้วสุดท้ายเส้นเดียวกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยของมันเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวก็เหยียบบนบันไดแล้วถ้าเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดพุบขึ้นงั้นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วต่อเรียกกับเรธรรมานารังอิเรทายะทําต้องห่วงว่าควรถือมั่นคงม้าทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ล่ะยึดไว้สมัครก็ต่อ อัปเปธัมมานตาต่อนี่นี่สัจธรรมมารวมยอดธรรมธรรมอนัตตามาลงตรงนี้มารวมก็อกุนี่หิรโลกหิรภพนี่โลกก็ไม่ติดอิ่มแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หนีกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมุติธรรมก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมดีธรรมละเอียดขนาดไหนทุกข์ทุกข์ก็เยธนาไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมุติ อิ่มพอตัวนั้นก่อนแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึกน่ะถ้ายึดถือไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ยังอาศัยธรรมอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดธรรมอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์โยมทักเพธรรมะนั้นตามขึ้นที่ว่าสมมุติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญะปาปะอะหินะละทั้งหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกัน ถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นสุดต่อยบุญนะบาปปุญญะมงคลผู้มีบุญและบาปอันนะเสียแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะที่ว่าอิ่มตัวอิ่มธรรมก็เรียกอิ่มโลกก็เรียกไม่ยึดมั่นถึงมั่นในธรรมทั้งนั้นนี่ข้นของการปฏิบัติเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ หาในขวบกันมีความภาคเพียรของเราเราอย่าไปเชื่อคู่หนึ่งผู้ใดนอกจากพระศาสดาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมกายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากตั่วคลธรรมปรับที่ชอบที่สิ่งใดปฏิบัติเถอนิยานี้กระทําจะนําออกโดยลําดับลําดับเลื่อมหน้ากันความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลัง อันใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันใดลาจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าเราคิดเอาเอาโลกมาเทียบโลกมีถึง 3 โลกธาตุโลกโลกไหนดีๆโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ของจักษุนี่ตรงนี้เมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจว่าเป็นของสะสิทธิ์แล้วความเพียงก็เล่นเอง จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจภาสนามากั้นกลางพระผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วไม่ให้รับผลเป็นไปไม่ได้นี่ไม่มีผู้ใดมากั้นกลางพระผลนิพพานไม่มีการไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมากั้นขวางพระผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดำเนินปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทุคกับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังพระผลนิพพานจึงต้องพิจารณาเรื่องทุกข์